ในน้อทหารหาทั้งหลายวันนี้เาจะมาจะมีโอกาสมาพบกับท่านเพื่อการมาพบครั้งนี้เพราะว่าท่านผู้กัญชาการได้ขอร้องทั้งว่าท่านใปแจ้มบอกว่าทหารจะขึ้นแนวรบแล้วก็ต้องการอยากจะได้ผ้ายันมหาวิทัยสงครามสำรับแจกกระดาท่านทั้งหลาย อาตมาคิดว่าการที่ให้แผ่นผูก ข, ของพันธุ์มาแจกที่นี่อยู่ใกล้อาตมาก็ขอมาแจกเองแต่การมาแจกครั้งนี้ก็เพราะว่าได้รับพระราชสาว น, นีด์ีจากสมเด็จพระบรมราชินีนาเมื่อวันที่12กันยายน2520นี่ได้พบกับบาทสมเด็จพระยีหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ พระองค์ทรงตัดว่าเวลานี้ทหารตำรวจกําลังต้องการของศักดิ์สิทธิ์กันมากอตาตมายอยู่ในแจ้งท่านว่าต้องการเท่าไรไขอให้แจ้งไอสัตว์แ้่ท่านบอกว่าขอให้หลวงพ่อไปแจกเองฉะนั้นหลังจากดับจากสงขลาแล้วแยกจากพวกว่าครานั้นไปพักอยู่ที่ทัศนินพระราชนิเวศนว์พระองค์บอดีท่านผู้นับกรงพันธุ์ก็ไปขอร้อง จะขอนําผ้ายันมหาวิทัยสงครามาแจกในการมาแจกผ้ายันคราวนี้อาตมาก็มีเหรียญข้าวบ่ายสมเด็พเจพระเยรีหัวเคยไปเหรียญรอกล่าว่าในการก่อนๆอาตมาได้ไปในฐานะเป็นตัวแทนข้บาบ่ายสมเด็พเจพระเยรีหัวอยู่ตลอดเวลาทํางานมาแล้วสามปีเป็นปีที่สี่ในปีนี้ การไปทุกๆครั้งก็แจ้งกับบรรดาท่านอ น, นหลายในเขตนั้นว่าการมาคราวนี้พระบาทสมเด็จยืหัวรัสมเด็จพระบรมราชินีนาศทรงมีความห่วงใยแต่แต่ว่าไม่มีนิมิตรื่องหมายเป็นเครื่องแสดงพระบาทสมเด็จพระยหัวจะในทรงตรามว่าต้องการอะไรเพ <c oughs> งได้ถวายพระพร้พระองค์ทรงทราบว่าต้องการพระบรมรูปของพระองค์ จากนั้นพระองค์ยิ่งได้ทรงอนุมัติให้สร้างพระบรมรูปขึ้นแล้วก็สร้างผ้ายันมหาวิชัยสงครามความจริงขอทั้งสองอย่างนี้เป็นของพระบาทสมเด็จยีหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นเจ้าภาพในการกระทําเองโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผ้ายันตมหาวิชัยสงครามนี่แจกกันมาแล้วบรรดาท่านทหารหารทั้งหลายที่ได้รับมา <c oughs> อี่เคยได้รับก็คุณจะทราบผลมาแล้ว แต่ว่าสำหรับเหรียญรอเก้นี่ก็เป็นเหรียญที่เข้าพิธีพุทธาวิเศษขนาดหนักมาแล้วก็หวังว่าผลที่ยาพึงได้รับจากเหรียญรอเกก็คงไม่ต่างกับผ้ายันมหาวิเัยสงครามได้ ว, ว่าคณาจารย์ต่างๆที่เข้ามาปลูกเสกเหรียญรอเก้าก็เป็นคณาจารย์ชุดเดียวกันกับที่ปลูกเสกผ้ายันมหาวิเัยสงคราม และสำหรับในงานนี้พระบาทสมเด็จที่หัวก็ทรงเป็นเจ้าภาพและก็ทรงพระ ส, สุร่ายเองด้านการที่นำมาจาัดในคราวนี้ก็ขอบรรดาท่านทหา ร, หารทั้งหลายได้โปรดทราบว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอาตมาในนามของคณะสงฆ์ไทยซึ่งมีความห่วงใยบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าประเทศภาตศาสนาพระปหากษัตริย์และปรงชนชาวไทย จะทรงยืนได้ทรงความเอกราชเป็นได้ก็พระอาศัยบรรดาพี่ น, อน้องทหารทั้งหลายเสียสละความสุขและเลือดเนื้อละชีวิตด้านนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวและสมเด็จพระบรมบราชินินาถก็ทรงความมีความห่วงใยมากได้เห็นได้ว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี่เอง สมเด็จพระบรมราชินีนาถจิงกระทรงจัดว่าเวลานี้ขอให้หลวงพ่อไปช่วยแจกผ้าโดยพระทหารตำรวจตรงการของศักดิ์สิทธิ์และนอกจากวันนั้นวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จที่หัวก็ทรงจัดหอให้เป็นพิเศษให้นำผ้ายันมหาวิทัยสงครามไปแจกกระฐานต่างๆภาคใต้สำหรับวันนี้การมาครั้งนี้ก็ได้กราบูลให้พระองค์ทรงท ร, งทราบ แล้ขอพระยาทานเหรียญรอเก้าเป็นที่ระลึกขบรมดาท่านทั้งหลายจะงน้นขอท่านทั้งหลายมิได้รับเหรียญรอเก้าแล้วก็จงอย่าคิดว่าเหรียญชุดนี้เป็นเสียงเหรียญที่ประดับเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวในความจริงพระบาทสมเด็จพระพุรธสมเด็จพระบรมราชนิพนธ์ได้รัตนาพระคณาจารย์ต่างๆที่ทำผ้ายันมหาวิทัยสงฆ์ ม, มาช่วยกันปกเสกและก็ทรงพระนสุร่ายเอง ทรงจุดเทียนชัยเองในการมาในคราวนี้อาตมาในฐานะประสงค์ในพุทธศาสนาก็ขอให้ความมั่นใจกับมารดา พ, พี่น้องราหา ร, หารทั้งหลายบางทีท่านหลายอาจจะคิดว่าประเทศไทยเราเวลานี้อยู่ในสภาพที่มีภัยรอมรอบ แล้วก็มีข่าวบางข่าวที่มีความหวั่นไหวกันมากคิดว่าประเทศไทยจะไปไม่รอดแต่ข่าวนี้ปลายกดขึ้นนั่นมันเป็นเรื่องความจริงของข่าวแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วชะตาของประเทศไทยเรากำลังจะเข้าสู่ความปกติในสภาพประเทศมันก็เหมือนกับคนที่เป็นไข่ สมมติว่าถ้าไข่ใหญ่ไข้หวัดใหญ่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีโรคแทกคือโรคทีบีถ้าโรคแทรกไม่ปรากฏขึ้นมาหมอก็ไม่สามารถจะทราบโรคแทกได้นี่เวลาไข่ที่มันจะหายถ้าไข่หวัดหายถ้าโรคแทรกไม่ปรากฏโรคทีบีมันก็ควรไอคนนั้นอาจจะถึงกับความตายเวลานี้ประเทศไทยเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่แต่โรคแทรกยมปรากฏ ในช่วงระยะสั้นนี้คมบรรดาพี่น้องทาหารทั้งหลายได้โปรดทราบว่างานหนักสำหรับท่นักรบทั้งหลายจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าผลที่ะพึงได้รับสุดท้ายปลายมือนั่นก็คือความปเป็นสารภาพและเอกราชสมบูรณ์โดยที่คิดกันว่าเราจะต้องเป็นท่าของใครนั้นไม่มีความหมายชะตาของประเทศไทยใกล้เข้ามาสู่จุดความสงบ แต่ก็จงอย่าลืมว่าไข้ถ้ามันจะหายมันก็ต้องแสดงการขึ้นมาหนะักหมอจะปราบไข้หายได้ชั้นใดแค ต, ตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนับตั้งแต่เดือนพฤศิกายนเป็นต้นไปขอมัรดาพี่นอนทันหลจงอย่ามีความประมาทเราอาจจะมีความยุ่งยากทั้งภายนอกและภายในในตอนนั้นขอท่นานทันไลได้โปรดทราบว่า ความเป็นมีชัยจะปรากฏแกเรานี่คอยความมั่นใจว่าประเทศไทยหนึ่งต้องไม่เป็นท่าของใครสอนในการต่อไปประเทศไทยจะประสบกับความอุดมสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึงเพระาะเมื่อปีพศ2 5 1 7อา ต, ตมาได้ถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระยิ่หัวว่านับตั้งแต่ปี2520เป็นต้นไป ทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยที่มีค่าที่จะมีมันจะปรากฏขึ้นแต่ว่าในระยะนี้มันก็ยังไม่ดีมากนะักจะไปดีกันจริงๆอ่ะ 2,524 เวลานี้เหตุนั้นก็ปรากฏขึ้นแล้วว่าทรัพยากรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏการเช่นหนึ่งน้ำมันสองแก๊สสามแร่ที่มีคุณค่ามากเวลานี้ก็ส่งผลกันได้อย่างคาดไปถึง เังดั้นการพยากรณ์ใดๆในตอนก่อนที่ว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรุรมศาสนาทรงตรัสเพื่อก่อนเกืองพุทธการสิบห้าปียังมีความเร่าร้อนกับมรรดาประชาชนทั้งหลายแต่หลังเกืองพุทธการต่อไปความเรื่อยเล่าร้อนนั้นก็จะมีมากขึ้นแต่ได้ว่าในสุดประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะปลอดภัย ในคำยากรัของบรรดาพระหรหลานทั้งหลายและองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสตร์สัตยสมมาสัมพุทรเจ้าปรากฏผลขึ้นแล้วขบรนดาพี่น้องในหันหา ร, หารทั้งหลายจงมีความมั่นใจในประพุตธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบา ร, รมีของบาศสมเด็ดจยี่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี น, นาเอาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งของมัรดาท่านทั้งหลายจงมีความสามัคคีกันทรงชาติจะทรงอยู่คูทั่วคู่ฟ้าดินสลาย อั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทหารของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ายันมหาวิชยสงครามย่อมปลายกฎผลมาแล้วแก่ทหารบรรดาท่านนักนักลบทั้งหลายเขาเคยถูกดูดเบิดจนทั้งตัวกระเด็งขึ้นไปสูงค่า ย, ยอดไปแล้วก็ตกลงมาเอาคอทิ่มดิ่งเขายังไม่มีอันตรายชั้นใดเราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพด้านเชียงคำด้วยด้านเหนือ และผ่าอิสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านผ้าอิสานที่พลตียุตสิงเกศสรุขสมัยนั้นเป็นผู้จัการกองพลนำกำลังพลเพียงแค่สก็รอเข้าไล่ตีข้าศึกบนเทือกภูเขาภูผ่านใช้เวลายี่สิบวันสามารถไล่สังหารข้าศึกให้พ้นไปยังจากเาตกเขานั่นได้เวลานันทหารของเราไม่มีใครตายเลย ความจริงการรบคำนั้นหนักมากเพราะเขาเ้าไปในป่าทึบยข้ตีฐานของเขาดัางน้นความมั่นใจจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้อนาจพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและราชานุภาพอย่าทรงขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาพี่น้องแต่หันหันทั้งหลายมีความมั่นในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังคุณในโอกาสนี้ธรรมาภาพในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนา ขอตั้งสติญาติฐานอ้างคุณบสิรัตนไตรยัยมีพระพุทธรัตนธรรมรัตนและสังฆรัตนาทั้งสามเดการแล้วขอัเชิญบา ร, รมีคุณบาศสมเด็จยี่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาศซึ่งมีความห่วงใยท่านนันไลคอยท่านนันไลจงประสบในความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลและจงเจริญไปด้วยจ่าตุรัพย์ตาพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันณสุขาภาระและปฏิพันธ์หากว่าทัากับข้าศึกในคราวใดขอข้าศึกเป็นหลายจงพินาศไปด้วยด้านพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพราชานุภาพแล้วน่ายความดีทังท่านแล้วขอทุกท่านจงปลอดภัยด้วยบบการทั้งปวงสวัสดีต่อที่นี่ไปนะเขาได้เกิดเข้ามารับผ้าเย็นแล้สเสลี่ยนได้แล้วนะสองร้อยสองร้อยหก 900, ัิ 2, บสองธรรมภาพ เออเหรียญเหรียญนี่ในหลวงเออ่าพูขับร้อยครับเออยงหลวงตีดีดีนะอ่าท่านดดีใจมากใชไหมแล้วลมนเาอ๋อเดี๋ยวดี๋นที่หลังเดินแถวเดินเข้ามาเลยยอยู่ข้ามาเดต่อมาเจาี้ยงเี้ยงตังแบบเข้าอะไรครับเพื่อความรวดเร็วนะครับรีบเพื่อความรวดเร็วครับเออเดินตามมาเลยครับเดินตามมาเลยครับ นนนูนไม่ตาองเอ่อยกมือไหวทีเดียวนู้ยืนก็ได้จ้ะเออไม่ต้องไม่ต้องกลับนูยืนได้ยืนได้รับเลยยืนยืนยืนยกมือไหวครับครับรับเลยยืนยกมือไหวแล้วรับไปเลย่แวเลยครับตอนต่อตอเออไปเรื่อหนอครับเร่หนครับเออไอทีเดียวไม่เปไรเช่นกลัวฉันอดเพลินนี่แคฮะเออ่าพายันนี่ไปหุ้มประสติกให้ดีนะเออไม่เป็นไรนูนจเออเอเรียญปะเรทันนี่เราหาในอย่างนะ ถ้าเข้ามาเลยเจ้าเข้ามาเลยเจ้าติดต่เข้ามาเลยเจ้า say yeah. Thank you. มาทัศน์เทียนอนัต สละต่อีนไปท่านหลายที่ต้องการดีเะรร์ฮัลโยมิทิออขพให้ทุกท่านจับครั้งขึ้นไม่ติารโตงอทุกท่านครับเพราะกรณีต้องตั้งใจบูชาพระสงฆใจมีทุกจาระันาธรรมะปัญญาเฉลิมพระนามสงสารในกาย ถ้ต <icana>, ่อไปทท่านเกิดการทานกการพ้าทายเป็นมอมาจันทม่ยางอบทธิ์สรนุมยางพุทัสสะโลหตวารณะารังอะมาสโมท ไปทุกขเ่าทางสมาทานวาระเองทุติยังตีทุติยังตีท่ สัมภาริยนสวรรลงเงือปิว ด, ดาทั้งหมดไ อ, อ้เกิดโลกวากว่าจะพูดไปได้ถึงแม้ชีวันไปก็พาไปไหวไม่ไจ้ชาทิไม่คุณลาเจดีสและหลังจากนั้นจยต่อไปหกันไหนนดับแรกตั้งใจมือถือวิศามันมีดีดสงฆาก่อะนการสมัครคำมรณานาใช้ทาษาบรี ในเนื้อหาที่ว่าผู้ัตนผู้ยำจิสัมมาทนางนาจตระหนั่งาอนทคามที่ว่าสุวรติการนัยถ้าตอนี้ไปวาแขนได้การวางแขนเนี่ตองนีวย้หัวแล้มันจะาสื่นแค่การนั่งการักที่มีความหนักถ้าเกิดมัจะล้มลงรับกันมา ยรายหน้าเราดูบงท่นขาารเจรจาของเราานเร่อเจ้าเวลาไม่งชั่วโมง ให้ชี้ให้คนที่ไปที่นั่งอยู่มากก็มีพระมีคุ่มมีพระแม่พระอรหันต์ก็เยอะที่จุฬามณีก็ไปยืนอยู่กลุ่มอะไรบอกว่าชี้ดูว่า น, นี่ดูร่างกายขมนุษย์ด้านมันเป็นะออยังไงมันเต็มไปด้ความสุบๆแล้วก็ชี้ไปดูพวกผีตายพวกเพื่อนใชห ไอ้ร่างกายก็ไม่ได้ตันเน่าไอ้ร่างกายก็เป็นบ้านที่อาศัยเราไม่ควรจะมีความความพอใจกลับเป็นอยู่ในเวลาบาระปีสองแล้วก็ไปที่พระพุทธกษษษษสุตพระบ๊ว่ายพระพุทธกสุตในเมื่อเราบริสุทธิ์แล้วถึงแม้บริสุทธิ์น้อยหรือบริสุทธิ์มากหมายว่าคนจที่เทวดาจะบริสุทธิ์ ก็ไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีความป ร, นะรับน้ำก้าวไปสู่ความไม่บริสุทธิ์จะต้องการจะเป็นม่ขต้องการบีิม่เพ่ยง่ายนะท่านเพ่ยง่ายท่านว่าอย่างไรจำไม่ได้เพราะคนวทานจบันทึกตอนนั้นก็ไม่ไหวมันโอ้โหงมาแล้วจะบันสังเกตดูท่านพูดมาจำไม่ได้จาใจความว่าร่างกายก็เป็นเรื่องร่างกายสายโู่ายาว เมื่อเราข้อซิ้งขึ้นมาแล้วหันไปดูร่านกายบ้านเรามันเป็นวามเน่าจวยความิตรสแล้วต่อไปก็ไปดูบ้านมีทางแล้วน่าจะเป็นนั่นทําไมเราจ่ต้องาตันหรเอเทวดาก็ดีผมก็ดีพ้ะเจ้าดับขอมาดลงมองดูร่างกายมนุษย์ที่เพียงล่างแล้วร่างกายเดิมของเราร่างกายเดิมเขาขึ้นไปผิดสารจริงที่มองเห็นได้นึกอึงพลังทางจิตวิญญาณ จะไปแล้วได้มาเอนาคตังคิยัยพวมองรูได้ก็ดูร่างายเป็นดุลยความสบดูร่างกายส่วนหนึ่งที่กำลังเน่าเสียผมเน่าเขาเก็บเงนยิยงใหหมดทั้งโลกคนนี้ไม่มีส่วนทั้งเซนหนร่างที่ยส่เราเมื่อเราบริสุทธิ์แล้วจงอยากกลับไปหาความสดุดกบ้ว่าเทวดาหรือคนละม่คนนนกลับไาเป็นมนุษย์ แต่ถึงโมงจะกันสักเไห่บาวันเราบอดีสุดแต่ตัอย่าก้ับไปาหนความไม่บริสุทธิ์อันนี้เองแล้วก็ท้ายตอนปลายมือก็แม่สีมาเอาไปยนยนก็เลยบอกว่าบอกที่คนนนให้ถอดโนาซ้อมเอามาให้หลับให้ใช้เป็นนาทำคาถาโคนายืนลงเลย ไอเย็นตัวเลยก็มีอะไรเพาราะคุณจะทำประสงค์การัฒนาคนสันหงตัตายครบคนแนละ้ใช่ไหมถ้ามีชิน้นหายตัวก็ไปโดนโศนาไปไม่มีอะไรไม่ไต้องไล่าวทำสมาธิฮะไม่ต้องกล่าวถ้าทำสมาธิไม่กล่าวเนี่ยคือความมั่นใจแต่ว่าเวลาภาวนาเนี่ยบอกให้อนอนโทวนานให้หลับไปหลับเร็วเท่าไหร่ก็ยังดีง่าย ละเอ็นเตงของก้ากเสุดๆุดสุดไปไอ้นี่ไอพีฉันบอกว่าผู้หญิงไม่เก่งเลยผู้ชายเพราะปริมาณพวกผู้หญิงน่สูงกว่าผู้ชายมากเงต้งของก้าวเขาสุดุดสุดสุด ไอ้เพิ่งมา้ลูกมาเต่งใหม่อกเาเสพเพิ่งมาเลยโลงใหม่ไอ้ฉันเลนั่งอยู่ที่ตำนีมม้มองอเอ๊ะไอ้เพิงมาเลูกอีแล้วลงลงเดี๋ยวเต่งของตาใหมมีไองของตาดุจกลับลดุกลับที่ไหนเาไ่เลยอ่ายนะ เราควรไปอัดภาวนาให้หลั่งนะเกี้ยกล้วจริงรอบสี่สี่อย่งนี้ไหม่ด้่ยตอนนี้กรกินขอดไปยืนไปถึงเสาเาหน้าไม่ได้คับเสาหน้ายังไปยอยู่เฮ้ยเสาหน้าอยู่เสายังไปอยู่เงียียังไม่ไปลงบ่ อนีเกี่ยากับสาวที <not> ่สาวที่ว่าใครมาสุกดายเจ็ดเองืองาเขนี้นเขาว่าเปล่าใครมาถ้าสุกสาวที่เนี่ยทมาจันก็ทำอสุกมาแล้วไม่ทันรับเครื่องงานนะทำเป็สาวเตรียมตัวไว้ว่าเตรียมตัวไปภาวนาไหลับพยายามภาวนาได้จะเป็นคนใจ ภาวนาแบบสบายๆใจกวไม่ใจกขาออกนะเพราะว่านานี่ไม่ต้องไปเร็วใช่ไหมแบบสบายอย่าให้มันเหนื่อยามันไม่เหนื่ยอยมันจะหลับต่ อ, อไปถ้าเริ่มว่าก็กจะหลับก็จะไปถึงพยอ <c oughs> ยามโบติล้วอยู่กปบโบติ น, บบา น, านี้จะไม่ได้ภาวนาเรื่อยๆแล้วให้เราไมชิอย่าไปทำเพราะเวลาหลับทำเพราะเวลาจะนอนแล้วก็เสกอะไรมากยาโบติให้มันชินแล้วได้ยิน ว่าถ e, ้าเวลานอนนอนพระจิตเข้าถึงสมิารทับีนหลับเพราะอนนี้พอจิตเข้าถึงสชาตียงมาสีเลยเ่นัแบบดีก็นแล้วก็เออมาเิเลนแล้วปุ๊บุเอพวกคื่อ่เลยอายาเหน like oh ียวามพระบดึงมันไม่ขึ้นไบวชดึงมันไม่ขึ้นไงเพาะว่าเป็นะะพระเป็มนปด้ว อันร้อนหนัก อ, อย่างนี้ประโยชน์ที่น่สรียเรียงลำ่ถ้าเราทำแล้วมีพระร่วมโดยในช้มไม่อยากไม่ว่าต้องเป็นได้อย่างนี้อย่างที่บ้านคนเสริมก็มีคนดูนี่ไม่ได้แต่จริงๆก่อนไม่มีคนดูไปก็ได้ใช่ไหมพอคนหลังมีคนดูใจก็ว่าแหกใจแล้วก็ส่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ทำก็ยังทามาเลย แต่หาว่าเขาไม่ทาเหมือนกับเราทามาที่ธรดาอันน้ไม่เป็นไรนะก็ดีเทียนพูกเดียวกันถ้ามันเป็นคนเราพวกปักใจสายจะนมีนักข้อเกตการหรืว่าค้อเกตการมันมาที่คนข้อเกตการมันไม่ใครบอกว่คนข้อเกตการเนี่ยเราคอยคอยดึงดึงอย่างไรเวลาเราที่เราไม่ชอบเนี